ทิ้งกายมารู้อยู่ที่จิตอัตมาก็ย้อนถามเขาว่าในเมื่อร่างกายของคุณแหลกละเอียดลงไปแล้วเช่นนั้นตัวคุณหายไปแล้วค้นหาตัวคุณซิหายไปไหนเขาบอกว่าเหลือแต่สภาวะจิตผู้รู้ใสสะอาดสว่างอยู่เท่านั้น ส่วนตัวตนที่เป็นร่างกายเนี่ยหายไปหมดแล้วดังนั้นคุณก็เข้าใจได้แล้วว่าในร่างกายของคุณนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนจิตกับกายแยกออกจากกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือกายก็สลายไปตามสภาพเดิมของมันส่วนที่จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นไปสภาพเดิมของมันส่วนที่เป็นตัวจิต ตัวผู้รู้ซึ่งเป็นธาตุแท้เป็นธาตุอมตะคือตัวพุทธะย่อมปรากฏเด่นชัดอยู่เสมอเมื่อจิตที่เป็นตัวพุทธะนั้นปรากฏเด่นชัดอยู่เสมอเขาก็รู้อยู่เฉพาะตัวของตัวเองในบางขณะนั้นเขาก็จะย้อนกลับมาดูร่างกายอันเป็นส่วนวัตถุมองเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ประชุมกันอยู่พร้อมเป็นตัวเป็นตนในขณะที่จิตย้อนมาดูร่างกายคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันนั้นการที่จิตรู้เด่นชัดอยู่ที่เฉพาะตัวของตัวเองซึ่งยังไม่มีสิ่งรู้ปรากฏขึ้นอันนี้จิตมันก็รู้นามเป็นตัวของมันเองทีนี้ถ้าจิตมีกําลังแก่กล้าพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิความรู้ อันเป็นสภาวะธรรมส่วนละเอียดก็ย่อมจะทำให้จิตรู้เห็นอารมณ์และอารมณ์อันนั้นปรากฏมาจากไหนก็มาจากจิตตัวผู้ปรุงสังขารส่วนละเอียดมันปรุงจิตตัวผู้รู้คือพุทธนั้นย่อมเด่นสว่างสวยัยใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น